ก็ว่าถ้าได้บอกแต่แรกว่าเรายุคของศรัทธามันค่อยผ่านไปนะกลับมาเป็นยุคของปัญญาเมื่อก่อนเราเอาศรัทธานำหน้าแล้วปัญญาตามแต่ยุคปัจจุบันนี่เอาปัญญานำหน้าแล้วเอาศรัทธาตามแต่ถ้าผู้ใดไม่มีทั้งศรัทธาไม่มีทั้งปัญญาก็ก็ไม่สามารถที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการภาวนาได้นะ หรือว่าเป็นเรื่องอาภัพไปเลยดังนั้นจงมีตัวใดตัวหนึ่งทั้งสองตัวเนี้ฮบางคนอาจจะเอาปัญญานําบางคนเอาศรัทธานำทั้งศรัทธาและปัญญานี้ตัวศรัทธามาก่อนนะเพราะตัวความเพียรนั้นจะเปลี่ยนเป็นศรัทธาให้เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นตัวแปรที่จะทําให้ศรัทธากับปัญญาได้ต้อมีความเพียรเป็นตัวกันดันั้นเวลาเราทำเนี่ย เป็นการพิสูจน์ว่าเราจะเปลี่ยนสัทธาให้เป็นปัญญาได้ไหมเราจึงมีการทําทั้งวันตัวนั้นเป็นตัวสัทธาตัวเนื้อหาของที่จะเปลี่ยนสัทธาให้เป็นปัญญาที่ผ่านความเพียรเหมือนเราจะเปลี่ยนข้าวดิบให้เป็นข้าวสุกเปลี่ยนข้าวสารให้เป็นข้าวสุกเปลี่ยนเนื้อดิบให้เป็นเนื้อสุกต้องผ่านไฟนะเราผ่านไฟถ้าไม่มีไฟเราก็ไม่ได้ยินข้าวสุก ถ้าไม่มีความเพียรเราก็ไม่สามารถจะมีความสุขได้ซึ่งมีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาศรัทธาก็ น, นำไปสู่ความทุกข์และความหลงง ม, มงายได้ในที่สุดเหมือนกันนะฉะนั้นเองก็จึงได้เสนอให้ในช่วงคอร์สหลังๆมาเนี่ยามาค็าจะทำลักษณะเป็นธรรมวิจัยเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าวเป็นคำที่เราคุ้นคุ้นนะ แต่ดำหลักหลักทางศาสนา น, นจะใช้คำว่าโยนิโสมานสิการมีการเข้าไปถึงรากเหง้าของสิ่งที่เป็นปัญหาเข้าไปสิงต้นตอมเป็นสิ่งปัญหาแต่ธรรมวิจัยนะมันจะกว้างกว่าฟิกลงไปว่าเป็นเรื่องของเกีก่ยวกับสภาวะธรรมนะฮะนั่นเองก็ จึงเย็นนีๆก่อนที่เราจะมีการวิจัยร่วมกันก็อยากจ ะ, อะบอกเหตุผลว่าทําไมเราต้องใช้ในระดับวิจัยเพราะว่าหนึ่งเราได้กล่าวแล้วว่าเราเอาปัญญานำศรัทธาต้องทําในระดับวิจัยก่อนสองเรามีเวลาสั้นเราจะใช้ความเพียรเพื่อจะเปลี่ยนศรัทธาให้เป็นปัญญาโดยที่ให้เกิดเอาเองเนี่ มันช้าวกว่าจะเกิดปัญญาได้แต่พอเราใช้การทำวิจัยช่วยสร้างปัญญาชั้นต้นๆเสียก่อนและถ้าคนไหนมีความเพียรมากขึ้นก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นปัญญาได้ไวขึ้นนะเพราะนั้นความเพียรก็จะเป็นตัวแปรที่สำคัญนะในช่วงของอทำความเพียรทำไมจึงเน้นธรรมวิจัยธรรมวิจัยกับธรรมวิจาร์ต่างกันยงไง ธรรมวิจารณ์หมายถึงเอาสิ่งที่เป็นอดีตข้อมูลที่เป็นอดีตและอนาคตมามาวิภาคมาสาธยายมาลำดับให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยเอาข้อมูลจากอดีตอนาคตมาแต่ในธรรมวิจัยนั้นจะเอาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นะข้อมูลที่เป็นปัจจุบันขณะนี้ละเดี๋ยวนี้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็นำสิ่งนั้นขึ้นมาวิเคราะห์วิจัยในส่วนธรรมวิจารณเป็นโลกิยะปัญญาแต่ธรรมวิจัยเป็นโลกุตระปัญญาดังนะนั้นเองเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติในระดับนักศึกษาเนี่ยเราก็จะต้องแยกระหว่างโลกิยาปัญญากับโลกุตระปัญญา เหมือนเราแยกสัญชตาตญาณกับปัญญาญาณความรู้สึกตัวแบบเคยชินกับความรู้สึกตัวแบบรู้สึกตัวแบบสตินะรู้สึกตัวแบบเคยชินเช่นวเวลาเรานั่งรู้สึกหนักหรือง่วงใช่ไหมเราก็ปลุกตัวเองให้ตื่นเน้ตื่นตัวนี่เขาเรียกว่ารู้สึกตัวแบบปัญญาญาณแต่ถ้าเรานั่งเราง่วงไปโดยไม่ใส่ใจก็ง่วงอยู่อย่างนั้น อันนี้ก็จะเป็นสัญชาตยานคนไหนง่วงถ้าทนไม่ไหวแลวงพจะให้ลูกไปนอนก่อนนะแจ้งให้ทราบด้วยเพราะถ้าเราง่วงในวงประชุมเนี่ยมันจะเกิดการวิภากวิจารณ์เกิดขึ้นเสียภาพนะเราก็จ ะ, ะมาระวังเหมือกันเพราะนั้นเองถ้าหากวาเราเข้าใจในประเด็นนี้เวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยมันเกิดตัวง่วงขึ้นม า, เ, าเรก็เริ่มวิจัยเริ่มวิจัยละให้ง่วง แต่จะวิจัยในขณะง่วงเลยไม่ได้แต่ว่าพอมันจุดประกาย่ง่วงปั๊บถ้าเรารู้สึกตัวตื่นตัวขึ้นมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนแต่เราไม่สามารถบังคับง่วงได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นอ น, นัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่เราสามารถรู้จักมันได้แล้วก็ปลุกตัวให้ตื่นขึ้นนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามอาการง่วงมีได้แต่ว่าเรารู้ว่าง่วงแล้วต้องพยายามปรับแก้ทันทีลักษณะเข้าไปปรับแก้นั้นเรียกว่าธรรมวิจัย เราก็เอาลำดับว่าในขณะง่วงนะรู้รู้สึกตัวว่าง่วงหรือเปล่าเราก็เริ่มระดับตั้งแต่เอาข้อมอูลตรงนั้นขึ้นมาเราก็พอรู้สึกตัว ง, ง่วงเรามีการเปลี่ยนแปลงสถานะมันอย่างไรเปลี่ยนแปลงสถานะความ ง, ง่วงให้เป็นความตื่นได้อย่างไรก็มีการบิดเนื้อบิดตัวลืมตากว้างๆหายใจลึกๆหรือลุ ก, ล ก, ล ก, ลกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งข้างนอกแทนที่จะนั่งแช่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอันนี้ก็เลยเปลี่ยนสถานะของ ของความง่วงให้เป็นตัวตื่นเพราะเรานั่งแช่อยู่นั้นเรากําลังมันสู้ไม่ไหวใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนสานะด้วยกันลุกไปทำอาบน้ําล้างหน้าหรือไปอสูดอากาศข้างนอกอากลับเข้ามาสู้กันใหม่ น, นี่รักเสียว่ารู้จักแต่ถ้านั่งแช่ตรู่นั้นแล้วก็เสพไปเลือ่อยแทนว่าเราไม่ได้สติแล้วก็ไม่รู้จักไม่อาจจะเป็นธรรมวิจัยได้เพราะในช่วงที่เราง่วงนะ่ะสติสัมยายเราขาดละ เราก็ไม่สามารถจะเป็นองค์ของความรู้ขึ้นมาได้เราก็ลึกๆไม่ได้เพราะขณะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นลึกไม่ได้แล้วเพราะสติสรรมญาติตรงนั้นไม่มีนะก็ในช่วงเย็นเรามีการนำผู้ที่วิจัยมาเป็นตัวอย่างสองสามรายเราจะเห็นได้ว่ามันแยกกันเลยในช่วงที่ง่วงเข้าไปเลยไม่มีการเปลี่ยนสถานะของมันอินเข้าไปเลยง่วงเลย แต่ข้อมูลเอามาวิจัยเป็นข้อมูลที่เกิดก่อนหน้านั้นหรือหลังนั้นเป็นไม่ใช่วิจัยแล้วกลายเป็นวิจารณเพราะในช่วงที่เรื่องม่วงอะไม่ได้มีการตื่นตัวหรือมีการาทําความรู้จักกับมันแล้วก็ตื่นตัวแล้วเปลี่ยนสถานะโดยการเปลี่ยนอิยาบทหรือเปลี่ยท่าทีที่จะออกจากมันนะดังนั้นเป็นตัวอย่างว่าเป็นธรมธรมะทำธรรมะวิจัยแต่มันกลายเป็นธรรมะวิจารณ เพราะในช่วงเริ่มต้นเราเรารู้อยู่มั่งแต่ว่าเราไม่มีการดิ้นรนต่อสู้หรือไม่มีการปรับนะมันก็แต่ลักษณะที่วิจัยออกมานั่นก็คือเอาความจําหลังจากมันเกิดขึ้นแล้วเอามาอีกต่อหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเองในช่วงเย็นวันนี้ถ้าเวลาพอก็จะได้หลายคนเวลาไม่พอก็เอาเท่าที่มีนะเอาแถวทางฝั่งนี้ก่อนเริ่มต้นจาก เราจะมาดูมชื่ออาจารย์แล้วอาจารย<ะ>์จงรักเนา ะ, ะอาจารย์ลักก็ลืมตัวใจอาจารย์เอาไม้ตัวนั้นควาจริงใช้ไม้อีกตัวหนึ่งเอตัวนี้นักหนักเอาไม้อีกตัวใช้ไม้ของตัวนั้นไม่สั้นเอาตัวนั้นดีกว่าไปอืม น, นั้นเสียงมันก็นั้นมันเสียงมันไม่เข้านั้นเพราะนั้นใน อัจารย์ลักเคยเข้าปฏิบัติมาก่อนแต่ว่าทิ้งช่วงนานหนึ่เนาะ mm hmm. แต่อันนี้เหมือนกับเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ก็ว่าได้เรินะ่มต้นใหม่ก็ว่าได้เอาตัว น, นั้นนีกว่าตัวนั้นมันหนักหรือแบบอ้อมทดสอบใช้ได้ไหม mm hmm. เปิดแล้ว mm hmm. ใช้ได้